มีบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายท่านว่าเรื่องราวของพระสูตรเป็นเหตุไรผลเพราะว่าองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศน์มานานแล้วก็มีใครที่ไหนบ้างจะจําเข้าไว้ดีไม่ดีเค้าก็กล่าวว่าพระสูตรเป็นเรื่องราวที่บรรดาท่านทั้งหลายนึกปราดแต่งขึ้นไว้หลอกเด็ก แต่เรื่องนี้จะเป็นประการใดก็ช่างเถอะบรรดาท่านพุทธบริษัทเรามาถือเอาเหตุเอาผลกันดีกว่าเรื่องแท้สูตรจะจริงหรือไม่จริงก็ช่างถ้าเราเป็นคนมีปัญญาสามารถปฏิบัติตามกระแสธรรมที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาก์สอนธรรมที่ประจักษ์ญาณให้เกิด อัมปุพเพนิวาสานุสสติญาณให้เกิดธัมมาติตังทิยานอันนาคตังทิยานให้เกิดธัมเมตูปฏิธิญาณให้เกิดเพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัทความสงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชงสวัสดิโสภาก็รู้สึกว่าจะเป็นของไม่ยากนัก เห็นเมื่อคําสอนขององค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดามีเหตุผลพอสมควรแล้วก็เป็นความจริงทุกอย่างสําหรับพระสูตรที่บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังมาในการก่อนถึงอุปกรรมรู้สึกว่าเป็นกรรมชั่วทําตัวให้ได้รับความทุกข์ฟังแล้วน่าสลดใจ ที่องค์สมเด็จพระจอมไตรอ้างตัวอย่างแม้แต่กรรมของพระองค์เองที่เป็นพระมหาชนกด้วยมีเจนนาเจตนาความรักในสมณเณรตัวเล็กๆซึ่งเป็นเด็กอายุแค่ 7 ขวบพายเรือมาเนนตัวเล็กๆนี่น่ารักมากแข่งทําน้ําให้เป็นคลื่นเพื่อเป็นการล้อเนนพอดีสมณเณรก็เลือนล่ม อาศัยที่พระองค์ทําให้เนรเรือร่มแล้วก็มีความรักอยู่เป็นทุนจึงได้อ้อมสัมมันในนั้นขึ้นบกเปลี่ยนผ้าให้ใหม่ครับเป็นโยมประวรณาในฐานะที่พระองค์เป็นพระราชาเนรเป็นเนรของหลวงเป็นพระของหลวงมีความสุขเป็นพิเศษแต่ถึงกับไหนก็ดีองค์สมเด็จพระบรมันต์โลกให้เชกกลาวะกรรมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น จึงจัดว่าเป็นอกุศลกรรมความจริงน่าจะคิดถึงเจตนาเจตนาขององค์ไม่ได้คิดไม่อยากฆ่าไม่อยากแกล้งสมณเณรให้มีความทุกข์แต่ว่ากรรมเล็กน้อยเพียงเท่านี้ก็ทําให้องค์สมเด็จพระชินสีต้องไหว้น้ําอติ 500 ชาติแต่ว่าผลของความดีที่สงเคราะห์สมณเณรการไหว้น้ําเท่าไหร่ ก็ปรากฏว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเป็นพระราชาทุกชาติเหมือนกันนั่นเป็นอันว่าผลของความชั่วและผลของความดีให้ผลร่วมกันทว่าว่าต่อเทนี้ไปจะกล่าวถึงผลความดีให้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังเพราะว่าการเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น พระพุทธเจ้าทรงแนะนําโดยเฉพาะคือให้บรรดาท่านพุทธบริษัทตั้งมั่นอยู่ในธรรมอันหนึ่งนั่นก็คือพระนิพพานในการจะไปพระนิพพานนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทรู้สึกว่ามันยากเหลือเกินทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าก่อนจะไปนิพพานได้ต้องตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทตบัง แล้วก็สมเด็จสําหรับกิเลสนี้พระโบราณอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่ามีกิเลสถึง 1,500 508 เป็นอันว่ากิเลสและตัณหานี่นับกันจริงๆมันก็ไม่ทวนแล้วเราจะมานั่งไล่กิเลสให้หมดใจไล่ตัณหาให้หมดใจมันจะเป็นไปได้ยังไงนี่เป็นเครื่องหน้าสงสัยสําหรับบรรดาท่านพุทธบริษัท เมื่อไหร่เราจะไล่กิเลสหมดทีเถิดหมดเราจะไล่ความรักที่เกี่ยวกับกามารมณ์การอยากมีผัวมีเมียอยากมีลูกเมื่อไหร่มันจะหมดไปสักทีเราจะไล่กิเลสตัวร้ายคือความโศกคิดประตุสะรายชาวบ้านชาวเมืองนี้เมื่อไหร่มันจะหมดไป เราจะมาไล่ความหลงที่ปรากฏขึ้นในใจมันก็แสนยากเพราะมันหลงเสร็จแล้วนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าเราฟังไปในการด้านการด้านปฏิบัติในพระพุทธศาสนารู้สึกว่าจะยากเต็มทีแต่ถ้าว่าองค์สมเด็จพระมหามุนีในฐานะที่เป็นสัพพัญญูเป็นพระพุทธเจ้ามีความฉลาดเป็นพิเศษ องค์สมเด็จพระบรมโลคจิตก็มีวิธีแนะนําคือแนะนําแบบความฉลาดถ้าฉลาดจริงๆบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงการไปพระนิพพานก็ไม่ใช่ของยากเหมือนกันบางทีท่านฟังแล้วจะรู้สึกว่าง่ายเกินไปกว่าที่ท่านคิด แต่ว่าสําคัญอยู่ที่จิตเท่านั้นแหละบรรดาท่านพุทธบริษัทก็จะเกิดในอบายภูมิมีนรกเปรตอสุรกายสัติตายฐานหรือจะมาเกิดเป็นมนุษย์มีความสุขมีความทุกข์เกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรหมหรือเกิดที่นิพพานความสําคัญอยู่ที่ใจอันเดียวถ้าใจเราดีจับอยู่ในส่วนดีเราก็มีความสุข ธรรมะจะเปลี่ยนความทุกข์เข้าถึงพระนิพพานได้ถ้าเรากลายเป็นคนใจร้ายบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเราก็ไม่พ้นทุกข์ทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันสําหรับท่านที่เข้าถึงซึ่งพระนิพพานง่ายๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสัตติระฌาน <c oughs> <c oughs> สามารถทําจิตใจของตนให้เป็นปัจจัยเข้าถึงพระนิพพานได้ง่ายๆเพียงตายจากสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นเทวดาจุติจากเทวดามาเกิดเป็นคนได้พบศาสนาขององค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาแล้วฟังเทศน์ในศาสนาขององค์สมเด็จพระอาทิตย์แก้ว ความจริงไม่ใช่พระพุทธเจ้าเทศเป็นพระสงฆ์สาวกเทศเพียงจบเดียวท่านก็บรรลุพระโสดาปัตติผลพอฟังครั้งที่ 2 ก็เป็นพระอริยะบุคคลขั้นสูงสุดคือพระอรหัตตผลนี่ความจริงถ้าฟังเรื่องนี้แล้วก็จะรู้สึกผ่องใสฉะนั้นองค์สมเด็จพระอาจารย์ไตรจึงได้ทรงแนะนําบรรดาท่านพุทธบริษัท ให้ระวังใจเป็นสําคัญโดยพระบาลีว่าเจภิกเจตนาหังภิกโวปุญญังวทามิซึ่งแปลเป็นได้ความมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายแล้วกล่าวว่าเจตนาเป็นตัวบุญและมีพระบาลีอันหนึ่งกล่าวว่ามโนปุพพังคมะธรรมามโนเสทถามโนมยา ท่านทั้งหลายมีใจเป็นหุ้นหน้ามีใจประสบสดสําเร็จด้วยใจนี้เราจะดีหรือจะชั่วได้ก็สายใจเป็นสําคัญนี้เอาล่ะบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเรามาดูตัวอย่างกันว่าใครหนอที่ฟังธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคโดยไม่ทราบว่าสิ่งนั้นเป็นธรรมแต่ว่าพอใจในเสียงธรรม เกิดเป็นเทวนารลงมาเกิดเป็นคนเข้าถึงซิมโฟนิกง่ายๆธรรมดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะลองฟังและลองปฏิบัติตามเราเป็นมนุษย์มีความสําคัญยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะเรารู้ว่าเสียงนี้เป็นเสียงธรรมหรือไม่ใช่เสียงธรรมลองฟังเรื่องราวของท่าน ตามรายสูตรมีว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระพุทธกสกในสมัยนั้นปรากฏว่ามีงูเหลืองอยู่ 1 ตัวเป็นงูเหลืองแก่อาศัยอยู่ในเขตสถานคือถ้ําแห่งหนึ่งใกล้ๆกับสำนักของพระสงฆ์ ในคราวหนึ่งองค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนอภิธรรมทั้ง 7 กัมพีคือปกรณ์ 7 ประการที่องค์สมเด็จพระพิชิตมังกล่าวว่าเป็นปีดกที่ 3 และเป็นปีดกที่มีความสําคัญที่สุดถ้าบุกเทวดาและมนุษย์ปฏิบัติในด้านอภิธรรมทั้ง <c oughs> 7 ประการนี้ได้ครบถ้วน อันผู้นั้นก็จะเข้าถึงพระนิพพานได้เร็วที่สุดในคราวที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาก็ได้เลือกความรู้ที่พระองค์ได้ทรงบรรลุมาเห็นว่าอภิธรรมมีความสําคัญเท่ากับความดีของพระมารดาคือคุณแก่บ่อนค่าข้าวก้อนและน้ํานมที่พระมารดาทรงเลี้ยงคือให้ชีวิตมา องค์สมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้ทรงนำพระอภิธรรมไปแสดงเทศจบเดียวปรากฏว่าพระพุทธมันฑานได้เป็นโสดาปัตติผลและมีเทวดารับพรมากท่านได้ถึงซึ่งพระอมตะมหาปรินิพพานคือเป็นพระอรหันต์นี่แล้วบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านการฟังอภิธรรมย่อมมีประโยชน์ <c oughs> ถ้าเราฟังด้วยความเคารพแม้แต่พระที่ท่านสวดเราฟังไม่รู้เรื่องว่าท่านสวดว่ายังไงแต่ดับปังด้วยใจเคารพแล้วท่านก็สามารถจะถึงนิพพานได้อย่างช้าอีกชาติเดียวเท่านั้นในเรื่องราวของคนอาตมาจะยังไม่พูดจะขอพูดเรื่องของงูซึ่งเป็นสัตว์ที่ได้ฉายก่อน เมื่อองค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนพระอภิธรรมแก่บรรดาพระสาวกแล้วพลณสาวกขององค์สมเด็จพระปาฏิเทพแก้วก็มีความประสงค์จะท่องจําให้ขึ้นใจจึงพากันไปท่องพระอภิธรรมในถ้ําใหญ่ในถ้ํานั้นปรากฏว่ามีทั้งข้างขาวห้อยหัวก็อยู่ 500 ตัว เมื่อเวลากลางวันข้างค่ำนอนหลับแล้วก็นอกจากข้างคาวก็มีงูเหลืองแก่ตัวหนึ่งงูเหลืองแก่ตัวนี้แก่มากไปไหนไม่คือไหวอาศัยอยู่ในถ้ําเรื่องของข้างคาวอาตมาจะงดเว้นไว้ก่อนจะพูดเฉพาะเรื่องของงูเหลือง เมื่อเหลือนตัวนี้เมื่อนอนอยู่ได้ยินเสียงพระส้อมวิธรรมทั้ง 7 จัมพีแต่ทว่าบทอื่นๆใดนี้แกไม่เคยชอบความจริงก็ไม่รู้ว่าพระท่านสวดอะไรท่านว่าอะไรจะเป็นธรรมะธมโหมหรือไม่ท่านไม่เข้าใจพอใจจะพอในเสียงที่พอใจในเสียงก็พอใจอยู่บทเดียวคือบทอายตนะ ในตอน 1 ของบทอายตนะที่เราเรียกกันว่าปัญจขันธ์ทายใหญ่ท่านสวดกันว่าจักขุนที่ยังโสตินทิยังคานินทิยังจิวหินทิยังอย่างนี้เป็นต้นมันลงท้ายอย่างยังสําหรับบทนี้ในสมัยว่าอาตมาบทใหม่คู่กับหลวงพ่อปาน พระในสมัยนั้นท่านชอบสวดปัญจักทั้งทายใหญ่ในสมัยที่มีคนตายพระที่บวชใหม่ว่าไม่ได้อย่างอาตมายังไม่ได้ท่องกับเขาเวลาเขาสวดนี้บทนี้ก็ดำน้ําตามเข้าไปด้วยว่าตัวหน้าไม่ได้ก็ลงท้ายว่าสิยังสิยังสิยังพอจบแล้วก็แลกสตางค์ค่าสวดกับเขาได้เหมือนกัน ถ้าถวายเท่ากันพระดีสุดได้ทั้งหมดก็ได้สตางค์อาตมาสวดกับเขาไม่ได้เค้าก็ถวายสตางค์เท่ากันแต่ถ้าว่าการสวดเพื่อหวังสตางค์ในบรรดาท่านพุทธบริษัทองค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิโสภาท่านบอกว่าตายแล้วลงนรกนี่ๆตอนบวชใหม่อาตมาสร้างนรกไว้กี่คุ้มแล้วก็ไม่สาด มาวาดบันดาลนรกขึ้นมาตอนที่ตูขึ้นมาสักหน่อยเลวบวชนานนิดจิตจริงจตุว่าถ้าเกิดเกิดต่อไปจะไม่เป็นเรื่องก็จะหาทางไม่เกิดจึงได้คนฟ้าดูตำราของพระไตรวิฑกว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเทศไว้ตรงไหนบ้างที่เราจะไปเพรณิพพานกันได้ง่ายๆ มาครึ่งฟ้าไปก็พบหลายจุดตอนนี้จะพูดกันถึงงูเหลืองเมื่องูเหลืองแก่แก่ฟังบทว่าสิยังสิยังสิยังแกชอบตรงนี้แกไม่รู้ว่าพระท่านว่าดีหรือว่าไม่ดีว่าอะไรก็ไม่ทราบแต่ชอบตรงที่อย่างเป็นลงท้ายเหมือนกันฟังเพราะดีเมื่อฟังไปฟังมาได้ <c oughs> <c oughs> 2-3 วัน <c oughs> อายุของท่านงูเหลืองตัวนี้ก็ถึงบิดอ่าถึงเวลาตายก็แก่มากแล้วอาศัยที่ฟังบทของอภิธรรมอย่างประเภทไม่รู้เรื่องเพียงชอบใจในเสียงก็ปรากฏว่าแก่ตายจากงูเหลืองแล้วแกก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์สักเทวโลก มีวิมานทองคําเป็นที่อยู่มีนางฟ้า 500 หรือ 1,000 เป็นบริวารจําไม่ได้นักมาหมดการจากความเป็นเทวดาก็มาเกิดในเขตของชมพูทวีปเกิดเกิดก่อนพระเจ้าอโศกมหาราชประมาณ 30 ปี <c oughs> นั่นระหว่างที่มาเกิดความจริงมาจากด้านของความดีคือเป็นเทวบรรดาลได้เพราะเขตของพระพุทธศาสนาแต่เวลาที่จะมาเกิดเป็นคนมาเกิดในได้คุณที่เคารพในอัจฉรลกคือพระแก่ผ้าในตอนต่อมาก็ปรากฏว่าท่านก็บวชเป็นพระในสำนักของอัจฉรลกเดินค้อยแก่ผ้าตามสบาย <c oughs> ไม่มีกฎหมายลงโทษแต่เป็นที่เคารพคนตระกูลของพระราชาน่าใสที่ได้ฟังที่ยังที่ยังมานั่นแหละบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นเหตุให้เจลบท่านนี้ได้ที่พระเจ้าขุนยานนี่เป็นเรื่องน่าแปลกมั้ยบรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> ไหว้เข้าถึงศาสนาขององค์สมเด็จพระวิชิตตมังกรบรมศาสดาด้วยกำลังใจที่เคารพเพียงเล็กน้อยเมื่อเกิดเป็นคนบวชเป็นอาเจรก็ได้คิดไปจะคอยญาณสามารถจะรู้อะไรต่ออะไรได้บ้างตามสมควรเพราะเป็นญาณที่มาจากฌานโลกิมาวันหนึ่งเมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชยังเป็นเด็กเล็ก <c oughs> พอเดินได้สะดวกๆเวลานั้นเป็นยามว่างท่านพ่อเอาลูกเข้าไปอุ้มไว้บนตักท่านลูกชายนั่งตักท่านพ่อนั่งไปนั่งมาก็ปลดอุจจาระถ่ายอุจจาระออกมาเปื้อนตักของท่านพ่อท่านพ่อเห็นว่าลูกชายถ่ายอุจจาระออกมาเปื้อนก็จับโยนไปข้างๆ คำว่าโยนในที่นี้คงจะไม่โยนแรงเขาจะจับไปวางไว้ตาบาลีถึงกล่าวว่าโยนพ่อมีความรักลูกจะโยนให้เจ็บหนักน่ะไม่ได้เมื่อมารดาเห็นว่าพ่อไม่ชอบใจลูกก็ลูกชี้รถตักจึงได้นําลูกชายที่รักไปอาบน้ําแต่งตัวเสียใหม่แล้วก็พาลูกชายไปเดินเที่ยวนอกวัง วันดีคราวนั้นก็ไปพบกับไอ้เจรลกคนสําคัญนี่เข้าคือไอ้เจรลกลกงูเหลืองชื่อของท่านมีแต่จะกล่าวชื่อให้ฟังก็เป็นการไม่สมควรจํายากแล้วเรียกกันว่าเจรอาเจรลกงูเหลืองก็แล้วกันไอ้เจรลกเป็นที่เคารพคนตระกูลนี้ไม่เห็นเด็กคนนี้เข้าไปยืนมองดูสมเด็จพระบรมฮิตรราชินีสงสัย จึงได้ถามอาจารย์ใหญ่ว่าพระคุณเจ้าดูลูกชายของหม่อมฉันเพื่อประสงค์อะไรพระเจ้าค่ะพระเจรจ์คนนั้นก็กล่าวว่าเจ้าว่าพระกิณีดูกระนั้นน้องหญิงลูกชายคนนี้เลี้ยงไว้ให้ดีนะเมื่อพระราชบิดาที่บงกชแล้วจะเป็นกษัตริย์ที่มีความสําคัญมาก <c oughs> จะมีเดชอํานาจมากเหลือเกินแต่ว่าจะต้องค้านน้องชายต่างพระมนดา 80 พระองค์เสดด้วยความจําเป็นเมื่อเจรลบพยาก่อนแล้วก็ผ่านไปนางในก็พาลูกชายกลับเข้าสู่พระนครคือพระราชนิเวศน์พอโทษเข้าสู่พระราชวัง นัตเตตันนนมานนางก็จําเรื่องราวไว้แต่ไม่เคยบอกให้ใครทราบเมื่อท่านอโศกก็มาราชตัวขึ้นมาเป็นหนุ่มบรรลุนิติภาวะเป็นที่รักของมนดาอมหมายข้าราชบริพาลมากเพราะมีจริยาดีไม่เหยียดหยามใครมีจิตเมตตาพระราชวิดาก็ทรงโปรดแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมือง น่าด่านเพราะมีความสามารถในการลบและไปที่ไว้วางพระราชอาณาจักรหริไทยได้ต่อมาไม่ช้านานเท่าใดก็ปรากฏว่าพระราชบิดาสวรรคตบรรดาไมคราชบริพาลจึงเชิญพระเจ้าอชาตขอโทษจึงได้เชิญพระเจ้าอโศกมหาราชมาเถลิงราชสมบัติแทนพระราชบิดา ท่านมีน้องชายอยู่งน限 Upper Gsem loops ieiliai for น้องร่วมประมาณดากันนอกจากนั้นเพราะ Agost lapー Rajitm haraim มีแรงชายตามประมาณดา 80 อง Harr待 เมื่อท่านขื splash r ร้อ! ต่างพระมาณดาก็คิดถรัยติ would... f'alar vomiarts installations recover hearias and kal quedwigppagol! работnie with theonnadi in full world but old kids!! whose I was 17 years old as I can UH! s most of it was started! แกกก! มีแบบบุจรัจพรรมห์ fingerprints over drop. roku on became a Christian of отвеч but it looks more grand now and irrational! down in bond จึงได้นํากองทัพภายนอกทั้งหมดเข้ามาล้อมพระราชวังความจริงพระเจ้าศาสตราศัตรูเข้าพระอนุชา 2 พระองค์เท่านั้นแล้วก็มีทหารหนําวังอีกไม่กี่ร้อยคนจึงได้ปรึกษากันว่าเวลานี้เขามาล้อมจะจับเราเราจะสู้หรือว่าเราจะยอมให้เขาจับ ยอมให้เข้าในประเทศดีไม่ดีบางทีเค้าก็ฆ่าเราตายเค้าไม่ยอมในประเทศท่านน้องชายจึงได้กราบทูลว่าในฐานะที่เราเป็นลูกของกษัตริย์ควรจะทรงความเป็นขัตติยะมานะเข้าไว้เมื่อตายยอมตายดีกว่าดีก็ยอมให้เค้าจับถึงแม้ว่าเค้าจะมีกําลังมากกว่าเราหลายเท่าก็ตามที <c oughs> มาพี่กับนำแบกออกด้วยความสามัคคีพร้อมเพรียงกันชนนั้นจึงรวบรวมกําลังของทหารเท่าที่มีอยู่ออกไปประทะกับข้าศึกศัตรูซึ่งมีน้องชายต่างมารดาเป็นผู้นําเข้ามาแต่ในที่สุดด้วยอํานาจบุญญาธิการด้วยความสามัคคีท่านทั้งสองก็จับน้องชายต่างพระมารดาได้หมด กองทัพทั้งหมดก็พ่ายกันยอมแพ้ท่านจึงสร้างประหารชีวิตน้องชายตามพระมนดาทั้งหมดเห็นแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าความสามัคคีปรากฏถึงแม้ว่าเราจะมีกําลังน้อยด้อยกว่าข้าศัตรูแต่ถ้าเราผนึกกําลังกันไว้ด้วยความสามัคคีข้าศัตรูก็ไม่สามารถจะชนะเราได้ดูตัวอย่างพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นต้น <c oughs> หรือองค์กำนันชาย 2 คนสามารถปราบข้าศัตรูที่มีกำลังมากกว่าหลายเท่าได้ต่อมามีเรื่องราวอย่างนี้เกิดขึ้นพระเจ้าอโศกกับมหาราชจึงถามพระมนดาว่าเรื่องประเภทนี้ที่เกิดมันจะเกิดมานี่เคยมีใครพยากรณ์บ้างหรือเปล่าพระมนดาก็เล่าความจริงตามเดิมให้ฟัง พระเจ้าชาตศัตรูจึงได้บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องการจะเอามาเป็นอาจารย์ประจําสํานักพระมนตรีก็บอกว่าเกจิลกคือพระองค์นี้ท่านอยู่ไกลจากราชวังประมาณ 100 โยชน์พระเจ้าศัตรูก็ไม่ย่อท้อจึงทรงส่งกองเกียติยศพร้อมด้วยสลึงประจําพระองค์ <c oughs> ไปรับท่านเจรจรลงนี้เข้ามาหวังจะให้เป็นอาจารย์อยู่ใกล้ๆจะได้ได้เป็นที่ปรึกษาแต่ด้วยเมื่ออัจเจรบได้เห็นบรรดามหาธาตุจะบริพาลไปรับก็ดีใจขึ้นเสลิงตั้งใจจะมาเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินแต่ว่าอาศัยที่ยังมีกิเลสอยู่ในใจก็นึกครึ้ม คิดว่าเราเป็นพระแก่ผ่านดีกับพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่พระราชาไม่รู้จักเคารพเคารพในเราเมื่อผ่านวัดของสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาจึงบอกกับคนหามว่าวางคันหามก่อนเราจะไปเยี่ยมสมณะด้วยกันนี่แสดงว่าเบ่งจึงเดินโดยนาถเมื่อเขาวางคันหามแล้วทั้งกันหน่วยนายเข้าปนิวัติ เดินแก้ผ้าโทงโทงเข้าไปบังเอิญวัดนั้นมีพระอรหันต์เป็นสมภารเป็นหัวหน้าเมื่อท่านเห็นไอ้เจรลกเดินเข้ามาท่านจึงถามว่าว่ายังไงพายตนะพองลืมลืมอายตนะเสียแล้วหรือนิมสิกิฐถูกแผลเก่าเข้าสิ่งที่เป็นกุศลประจําใจมันก็ปรากฏมีความละอาย นั่งพับเพียบเอาขาปิดหน้าล่างเข้าไว้พระรู้ว่าท่านอายจึงได้ส่งผ้าให้นุ่งส่งผ้าให้ห่มแล้วท่านอาจารย์ลบจึงได้ถามเห็นสัตว์ร้ายนอนอยู่เยอะๆมีเสือสิงห์หมูแมะละมั่งควายแก้งเป็นต้นนอนอยู่ไม่ทําอันตรายกันถามว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เค้าเรียกว่าอะไรพระก็ตอบตามใจเดิมของท่านที่มีความรู้สึก ท่านบอกว่าเขาเรียกกันว่าอายตนะท่านพูดเรื่องอายตนะพอเบาๆก็ปรากฏว่างูเหลื่อมอาเจรกงูเหลื่อมได้ประโสนาปฏิผลเมื่อได้ประโสนาแล้วก็มีความรู้สึกตนว่าความรู้เก่ามันเลวเหลือเกินใช้ไม่ได้ตั้งใจจะยังไม่ไปหากษัตริย์จึงมาบอกให้หม้ายเข้าไปก่อนเพราะว่ากิจที่เราจะพึงทํายังมีอยู่ และกราบทูลพระราชาของเธอให้ทรงทราบว่าเราเสกกิจในในพระพุทธศาสนาแล้วเราจะเข้าไปเมื่อกลับเข้ามาใหม่ก็ปรากฏว่าพระองค์นั้นซึ่งเป็นอรหันต์เทศอายตนะซ้ําอีกคราวหนึ่งอย่างละเอียดท่านก็ได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาและจึงได้กลับมาสอนพระเจ้า อโศกกับมหาราชท่านมีความเคารพในพระพุทธศาสนานี้และบรรดาท่านพุทธบริษัตรทั้งหลายโดยทนณาฟังเรื่องราวของมูเหลี่ยมว่ามีจิตเคารพในพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแค่พอใจในเสียงตายไปเป็นเทวดากลับมาเกิดเป็นคนเป็นอรหันต์ได้ชั้นใด ถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัตรทั้งหลายซึ่งเกิดเป็นคนมีความรู้เรื่องว่านี่เป็นเสียงของกุศลและอกุศลถ้าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผูกใจในคําสวดบทใดบทหนึ่งหรือว่าคําภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเครื่องจับใจเวลาตายลงไปใจยังพอใจในเรื่องนั้นหรือว่าเวลาจะก่อนจะตายเวลาป่วย ใครแม้สมบัติยามปกติเปิดบันทึกเสียงฟังชอบธรรมตนไหนฟังตนนั้นเป็นปกติเป็นเครื่องจับใจตายแล้วก็ไปสวรรค์กลับมาลงมาอีกทีดีไม่ดีเป็นพระอรหันต์เลยเช่นเดียวกับงูเหลื่อมถ้าอาตมามั่นใจว่าคนเราดีกว่างูเหลื่อมเพราะเรารู้เรื่องวันนี้เป็นพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า <c oughs> เนื่องรูวัสิงห์ในไลเหล่านี้เป็นบุญกุศลอาราบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนท่านญาณบอกเวลา 30 นาทีปรากฏเสร็จแล้วขอท่านทั้งหลายที่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระประทีปแก้วจุนมั่นใจว่าท่านมั่นใจในธรรมบทใดบทหนึ่งถ้าไม่ได้อรหัตผลในชาตินี้ตายก็เป็นเทวดากลับมาอีกทีได้เป็นพระอรหันต์เช่นเดียวคงเหลือแน่นอน